ฉันทาอย่างไหนเป็นต้นต่อของทุกอย่างไหนคือที่ตั้งต้นของกุศลธรรมได้อธิบายมาให้เห็นความหมายของฉันทาอย่างกว้างขวางครอบคลุมรบทุกแง่ทุกในยะถือว่าเพียงพอแล้วก่อนจะผ่านไปขอแสดงตัวอย่างสำคัญให้เห็นฉันทาที่มาในรูปสาวเดียวกันในพุทธพจน์ที่แสดงหลักการสำคัญต่างกรณี และมีความหมายที่เรียกได้ว่าตรงกันข้ามกรณีหนึ่งเป็นอากุศลอีกกรณีหนึ่งเป็นกุศลความเข้าใจชันทะที่มาในพุทธพจน์ต่างกรณีกันนี้นอกจากจะย้ำความหมายของชัน t h ที่ว่าใช้ได้ทั้งด้านอากุศลและด้านกุศลแล้วก็ <c oughs> จะช่วยกระชับความเข้าใจความหมายของชันทะที่ยังเห็นพระพระให้ชัดตรงและมั่นใจยิ่งขึ้น ฉันท่าที่ว่ามานี้มานยรูปสัพท์เดียวกันว่าฉันทามูลกะแปลว่ามีฉันท่าเป็นมูลคือเป็นต้นต่อหรือเป็นจุดก่อตัวเริ่มต้นพุทธพจน์ต่างกรณีที่ว่านั้นบางแห่งว่าทุกไม่ว่าอย่างใดมีฉันท่าเป็นมูลบางแห่งว่าธรรมะทั้งปวง มีสันท่าเป็นมูลสาระเป็นอย่างไรขอยกมาให้พิจารณาดูเองในยะที่หนึ่งสันท่าเป็นมูลแห่งทุกขและเป็นมูลของอุปาทานนัขันห้าเริ่มด้วยพุทธพจน์ที่ว่าทุกมีสันท่าเป็นมูลดังนี้ ก่อนในคามินีความที่ว่านั้นพึงทราบโดยปริยานี้ว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดก็เกิดทุกทั้งหมดนั้นมีชันธาเป็นมูลมีชันธาเป็นต้นเหตุเพราะชันทาเป็นมูลแห่งทุกขอต่อได้พุทธพ์ว่าเบญจอุปทานนักขันมีชันธาเป็นมูลดังนี้ ภิกษุนั้นชื่นชมภาศิทธ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาทุแล้วทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าคาแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปาทานนัขันห้าเหล่านี้มีอะไรเป็นมูลตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุอุปาทานนักขันห้าเหล่านี้มีชันธาเป็นมูลพุทธพสดสองแห่งนี้กล่าวด้วยว่ามีความหมายตรงกัน ดังพุทธพจน์ในพระธรรมจักรที่คุ้นกันดีตรัสแสดงความหมายไว้ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์อัตถกถาดีกาที่อธิบายความตอนนี้ที่ว่าอุปาทานขันห้ามีสันธาเป็นมูลบอกตรงกันทุกแห่งว่าที่ตรัสว่ามีสันธาเป็นมูลหมายความว่า มีตัณหาเป็นมูลหรือไม่ก็ว่ามีตัณหาสันทัเป็นมูลและบางแห่งก็อธิบายโยงต่อไปด้วยว่าที่อุปาทานขันห้ามีสันทัาเป็นมูลคือมีตัณหาสันทัาเป็นมูลก็ตรงกับที่ว่าตัณหาเป็นทุกขาสมุทัยนั่นแหละ